12. อวิชามูลกะกุศลานิเทศกามาวจรกุศลจิต8มหากุศลจิตดวงที่หนึ่งส3 4สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชะไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตรด้วยโสมนัสสำประยุทธด้วยาณ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 กองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีอาการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้335บรรดาปัจจัยการเหล่านั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉนะัยความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 เวทนาจึงมีพระเวทนาเป็นปัจจัยปสาทะจึงมีเป็นฉไนสัทธาความเชื่อกิริยาที่ปร่งใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งนี้เรียกว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยประสาทะจึงมีเพระเาะปสาทะเป็นปัจจั ย, ธจาธาจจยอธิโมกจึงมีเป็นฉไน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 พราพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุศลรจิตดวงที่สองถึง8สามร้อยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะจิตที่เป็นกามาวจร ซึ่งเป็นกุศลสหรฆดด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนั ina, ส, ส, ส, สวิปยุทธจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูง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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมี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 ชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อรูปาวจรกุศล341สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพ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 ชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้โลกุตระกุศล342สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะ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 อเหตุกะกุศลวิปากาจิตหนึ่งจกักขุวิญญาณจิต343 ส, ส, ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริศเป็นฉไนะจกักขุวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเวขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สา4รบบรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นเพราะกุศลมมลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นชไหนะ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 3ามสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉนัยโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคาณวิญญาณที่เป็นวิ บ, บากสหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิ บ, บากสหรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้น กายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยสุขมีโพธภะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมนโนธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพธภะเป็นอารมณ์มนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น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 กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กามาวจระวิปากจิตแป4 6สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นไฉมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตดิโสมณตสัมปยุตติญาณเกิดขึ้น สหรฆดด้วยโสมนัสสัมปยุตติญาณโดยมีเหตุชักจูสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณโดยมีเหตุชักจูสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตไดญาณสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตไดญาณโดยมีเหตุชักจู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 เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปาษาท่จึงมีเพราะภาษาทะเป็นปัจป จ, ปปจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อรูปาวจระวิปากจิต348ยสสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริเป็นฉไนยโยกาวัจจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุทะฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสตะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงอากิจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง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 โยกาวาจรบุคคลสงกัด จ, จารกามบาลุปธรรมทานที่เป็นสุญญตะตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทรรได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลโมลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 อากุศลวิปากจิตเจ็จักุวิญญาณจิต .350. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉไหนจักุวิญญาณที่เป็นวิบากสรรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสมอากุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอากุศลมูลเป็นปัจจัย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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาตเป็นปัจจัยชารามระจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้351บรรดาปัจจยยการเหล่านั้นเพราะอากุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉนหนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจ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 มนโนธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีโพัพภะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทําได้ตังสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอากุศสลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย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 ระชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 7. อุเบขาสันติวรณจิต 353. สิ35สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นฉนะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์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 พระเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉไหนะความตัดสินอารมณ์กิริยาที่ตัดสินใจภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉไหนะเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นฉไนความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวธรรมนั้นๆนี้เรียกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมีเป็นฉไนะชรามหนึ่งมรณะหนึ่งในชราและมรณะนั้นชราเป็นฉไนะความแก่ความคร่ำคร่าความเสื่อมอายุแห่งสภาวะธรรมนั้นๆนี้เรียกว่าชรนาะมรณะเป็นฉไนะความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความแตกสลาย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 ประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลมูลกะวิปากนิเทศจบอภิธรรมภาชนีจบปฏิจจสมุปปาทวิพังจบ